จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาโกโรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะมาเสริมสวยเสริมความ ง, งาม ให้แก่ชีวิตเพราะวัดก็เป็นเหมือนที่เราจะมาเรียนรู้จักวิธีเสริมความงามให้กับตัวเราตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกายตัวเราคือจิตใจความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยที่จิตใจสวยที่ร่างกายก็เป็นสวยชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานก็แก่ เดี๋ยวผมก็หงอกหนังก็เหี่ยวแต่ความสวยงามทางจิตใจนี้ไม่มีวันหงอกไม่มีวันเหี่ยมีแต่จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่เราคอยเสริมความสวยความงามของจิตใจของเราส่วนใหญ่พวกเราจะไม่รู้ว่าความงามความสวยงามของเราอยู่ตรงไหนกัน พอเราหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไปทุ่มเทเข้าของเงินทองเพื่อไปเสริมสวยความงามทางร่างกายทําเผ้า<ช>ทําผมนวดหน้าดึงหน้าใช้เครื่องสำอางร้อยแ0ดประการแต่งหน้าแต่งตาแต่งคิ้วแต่งปากแต่งไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องล้างมันออกหมด เวลาน้ำทีมันก็หายไปหมดแล้วก็ต้องมาแต่งใหม่แต่งเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาความสวยงามทางร่างกายได้พอคนเข้าเจอเราตอนที่เราไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาไม่ได้ทำเเผาทำผมเนี่ยเขาก็จะไม่มีความชื่นชอบยินดีกับเรา นี่คือความสวยงามทางทางร่างกายเป็นความสวยงามปลอมเป็นความสวยงามไม่แท้จริงและไม่สามารถชนะใจของผู้อื่นได้ชนะได้ก็ช่วงใหม่ๆแรกๆเวลาเจอกันแล้วได้เห็นแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็ดูสวยงามตื่นตาตื่นใจดี แต่พอได้อยู่ด้วยกันแล้วถ้าไม่สวยทางใจแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเป็นคนที่ไม่สวยงามทางใจต่อให้สวยงามทางร่างกายมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเขารักเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราอยากจะให้คนเขารักเราอย่างแท้จริง เรามาเสริมสสวยความงามทำใจกันดีกว่าสิ่งที่จะทำให้ใจเราสวยงามคือคุณธรรมสข้อด้วยกันคือ 1. ่จาระคือความเสียสละ 2. ส, สัจจะคือความซื่อสัตย์สขันติความอดทน 4. ธรรมะความอดกลัน้น ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้รับรองว่าไปอยู่กับใครที่ไหนจะมีแต่คนรักคนชอบจะไม่มีคนเกลียดจะไม่มีใครรังเกียจอย่างนั้นขอให้เรามาเสริมความสวยความงามทางจิตใจกันดีกว่าเพราะมันจะเป็นความสวยงามที่ถาวรตายไป เราไปเกิดใหม่เราก็ยังสวยเหมือนเดิมนะความสวยงามทางร่างกายเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายไปหมดไปแต่ความสวยงามของจิตใจนี่ติดอยู่กับใจไปแต่ใดที่เรามีจาระความเสียสละมีสัจจะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุดจริตไม่โกหกหลอกลวง ไม่กระปินกระป้อนแล้วก็มีขันติความอดทนมีธรรมะ ค, ความอดกลั้นรับรองได้ว่าเราจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแต่งงานก็จะไม่มีวันยาเพราะจะชอบจะรักเราเพราะหนึ่งเรามีความเสียสละคือเราไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองความเสียสละก็คือให้เราเห็นแก่ผู้อื่นบ้าง อย่าคิดแต่เอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่กับคนอื่นคนอื่นเขาก็มีหัว อ, อกเหมือนเราหัวใจเหมือนเราเขาก็อยากจะให้คนอื่นเอา อ, อกเอาใจถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ต้องแยกทางกันเพราะไม่มีใครเอา อ, อกเอาใจกันจะจะเอาแตใจตัวเองแล้ว คนอื่นเขาจะมาเอาใจเราได้ตลอดเวลาได้อย่างไรแต่ถ้าเราเอาใจเขาเดี๋ยวเขาก็อยากจะเอาใจเรานี่คือวิธีที่จะเอาชนะใจคนเราต้องเสียสละก่อนเราต้องเป็นผู้หยิบยื่นให้เขาก่อนเมื่อเราหยิบยื่นให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็อยากจะทดแทนมีอะไรเขาก็อยากจะหยิบยื่นให้กับเราเราก็เช่นเดียวกัน คนที่เขาให้อะไรเราบ่อยๆเวลาเรามีอะไรจะให้เราจะคิดถึงใครก่อนคิดถึงคนที่ไม่เคยให้ของเราหรือจะคิดถึงคนที่เขาให้ของเรามาอยู่เรื่อยๆอันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติอันนี้ทาไปแล้วมันจะชนะใจคนการจะชนะใจคนได้เราต้องยอมแพ้ก่อนเราต้องเสียสละเราต้องให้ เราอย่าคิดแต่จะเอาเพียงอย่างเดียวอย่าเห็นแก่ตัวเสียสละถ้าคนเสียสละแล้วจะไม่เห็นแก่ตัวอยู่กับใครจะไม่มีใครเกลียดเพราะว่าจะไม่แย่งอะไรกับใครสมมุติว่ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งเราก็อยากได้เขาก็อยากได้เราถ้าเรามีจาระคาเราก็เสียสละไป ให้เขาไปให้แล้วแทนที่เราจะเสียใจเรากลักบมีความสุขมากกว่าได้มาถ้าเราได้มาด้วยการแก่งแย่งชิงดีกันเวลาเราได้มาแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะเราไปสร้างศัตรูเราไม่ได้ไปสร้างมิตรคนที่เขาอยากได้แล้วเขาไม่ได้เขาก็จะไม่ชอบเราเขาก็จะเกลียดเราเขาก็จะโกรธเรา แต่ถ้าเรายอมเสียสละยกให้เขาไปเราจะได้ความสุขมากกว่าการที่เราได้ของชิ้นนั้นมาการได้ของมานั้นได้มาก็ดีใจเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็หายไปแล้วพอเห็นของของใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาใหม่อีกนี่คือจิตใจของเราความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่การได้มา แต่อยู่ที่การให้ไปยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นอย่างญาติโยมวันนี้ญาติโยมก็มาจาคะมาเสียสละเอาข้าวของเงินทองกับข้าวกับปลาของขาวของหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาให้กับพระภิกษุสามนเณรและญาติโยมที่อยู่ในวัดนี้ให้อยู่กันอย่างสุขอย่างสบายผู้รับก็มีความสุข มีความยินดีแล้วก็มีความชอบผู้ให้รักผู้ให้เห็นัหยญาติโยมมาวัดมีใครไล่กลับบ้านไ ม, ไม่ม่ีมีแต่คนต้อนรับบาวัดเพราะโยมมาให้มาเสียสละเลยกลายเป็นคนน่ารักขึ้นมาแต่คนที่มาขอข้าวของวัดนี้มักจะไม่มักจะถูกรังเกียดมาก็อาจจะให้ แต่ให้แล้วก็ขอร้องอย่า ก, กลับมาอีกเพราะว่าคนที่เห็นแก่ตัวคนที่คิดแต่จะเอาจะได้นี้ไปอยู่กับใครก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เราสวยงามเป็นคนที่น่ารักนะข้อที่หนึ่งเราต้องมีจาคะมีความเสียสล ะ, ะอย่าเห็นแก่ตัว ข้อที่สองเราต้องมีสัจจะความซื่อสัตย์คือไม่คปนคนปิ้นปล้อนโกหกหลอกลวงพูดอะไรก็พูดไปตามความเป็นจริงไม่โกหกหลอกลวงใครถ้าเราไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นพอเขารู้ข้าวเขาก็จะโกรธเราเขาก็จะไม่ชอบเราเราก็จะเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากใคร ขอลองขอความช่วยเหลือเช่นขอยืมเงินยืมทองเขาก็จะไม่อยากให้เรายืมเพราะกลัวยืมไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้คืนก็ราเราเป็นคนโกหกเป็นนหนเด็กเลี้ยงแกะฉนั้นเราต้องรูไ ม, ตม่ต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ต้องรักษาศีลข้อสาให้ได้ไม่พูดปดถ้าจะพูดอะไรก็ต้องพูดความจริง สัญญาอะไรกับใครไว้แล้วก็ต้องรักษาสัญญาไว้ญาโยบางคนนี่เวลาอยากได้อะไรก็ไปขอจากพระไปบนบานขอว่าจะทํานู่นทนํานี่ถ้าได้แล้วขอบวชอนี้พอได้แล้วมาถามว่าไม่บวชได้ไหมมีธุระต้องไปทํานู่นทํานี่แล้วคนไปสัญญากับพระไว้ทําไมว่าจะบวชอนี้ เมื่อกุณสัญญาแล้วคุณก็ต้องทำตามสัญญาไม่งั้นต่อไปคุณจะขออะไรไม่ได้ต่อไปไปขอใบบุบานพระก็บอกไม่ให้มึงแล้วโกหกกูเนี่ยง <c oughs> ั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องมีสัจจะเราอย่ากโกหกหลอกลวงใครโกหกได้ก็เพียงครั้งเดียวครั้งต่อไปโกหกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราต้องเป็นคนที่มีสัจจะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่หลอกลวงใครใครเขาอยู่กับเราเขาจะได้สบายใจว่าเวลาเราพูดอะไรเขาจะได้เชื่อถือได้ไม่ใช่เป็นเด็กเลี้ยงแกะนี่คือข้อที่สองคือสัจจะความซื่อสัตย์เนี่ยความซื่อสัตย์นี้พระพุทธเจ้า ทรงให้ความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะกับเด็กๆ เ, เนี่ยเวลาที่ทรงสอนพระราหุลที่ไปบวชเป็นเนนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะให้แก่พระราหุลว่าทรงตักน้าขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกราหุลว่าราหุลเวลาเธอพูดโกหกแต่ละครั้งนี้เราก็จะเทน้ำออกไปจาก ขันนี้ทีละนิดเท่าหน่อยถ้าเธอโกหกเรื่อยๆน้ําก็จะไหลออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่มีน้ําเหลืออยู่ในขันน้ํานี้ก็คือความดีในตัวเรานี่แหละความเชื่อถือได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้นี่เราจะไปคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้เราจะไปอยู่กับใครไม่ได้เราจะไปทํางานทําการร่วมกับใครไม่ได้ ก็ไม่มีใครเขาจะเชื่อถือเราเพราะเขากลัวว่าเราจะไปหลอกเขามากกว่านี่คือจะเสียเครดิตพวกเราต้องมีเครดิตการจะรักษาเครดิตได้ก็ต้องเป็นคนที่มีสัจจะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วรับรองได้ว่าเราอยู่กับใครจะอยู่ได้ต้องการเงินเท่าไหร่ยืมจากใครก็มีคนยินดีให้ยืมเสมอเพราะเขารู้ว่ายืมแล้ว เขาจะได้คืนนั่นเองนี่คือข้อที่สองคือสัสจจะข้อที่สก็คือขันติความอดทนเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่บนกองกุหลาบดอกกุหลาบโลกนี้มันมีทั้งหนาของกุหลาบด้วยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมเวลาสุขเจริญนี่ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกัน พอเวลาทุกทุกคนก็วิ่งหนีกันไม่ดูแลกันไม่ช่วยเหลือกันแต่เราต้องมีความอดทนเวลาทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันคอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกันไปเราอย่าไปเวลาเราทุกข์รื้อเดือดร้อนเราอย่าทำลายความดีงามความสวยงามของเราด้วยการมีความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเป็นยอดดี อังนี้เราต้องมีความอดทนต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากโดยที่เราจะไม่เสียเสียจากฆ่ไม่เสียสัจจะต้องรักษาสัจจะไม่ใช่ว่าพอเวลาทุกข์เดือดร้อนก็เลยโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะเอาตัวรอดเเอาตัวรอดแบบนี้ไม่คุ้มค่าเพราะสิ่งที่ได้มานั้นเป็นของชั่วคราว คือของที่เราจะเอามาเพื่อดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเรานี้มันเป็นของชั่วคราวแต่ของที่เราเสียไปนี้มันเป็นของถาวรก็คือความดีงามเช่นสัจจะเช่นจาระแต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนแล้วต่อให้เราทุกขยากลำบากขนาดไหนเราก็จะไม่ยอมเสียสัจจะเราก็จะไม่ยอมเสียจาระค ยอมตายดีกว่าเสียสัจจะเสีย ส, สียจากะเพราะว่าชีวิตของเรานี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายกันอยู่ดีเนี่ขอให้เราตายด้วยด้วยการได้กำไรดีกว่าการขาดทุนตายอย่างกำไรก็คือตายด้วยการรักษาสัจจะตายด้วยการรักษาจากะถ้าอยู่ด้วยการเสียสัจจะเสจากะแ ก็จะตายแบบขาดทุนอยู่แบบขาดทุนเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนไม่น่าดูไม่สวยงามไม่น่ารักนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามใช้ความอดทนต่อสู้กับทุกข์ยากลำบากต่างๆก็ให้เพียงแต่คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายคนเราเกิดมาทุกคน เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันด้วยทุกด้วยกันทุกคนแต่ใจของพวกเรานี้ไม่ได้แก่ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจของเรานี้สามารถที่จะอยู่เหนืออยู่เหนือความทุกข์ยากลาบากของทางร่างกายได้ถ้าเรารู้จักควบคุมจิตใจทำใจของเราให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขา การที่เราจะมีขันติมีความอดทนได้เนีเราต้องมีอุเบกขาเราต้องฝึกนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะมีอุเบกขาใจจะวางเฉยได้จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของทางร่างกายดังนั้นเราควรที่จะหัด นั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันเพื่อที่เราจะได้รักษาความสวยงามของเราไว้คือรักษาจาคะรักษาสัจจะได้เราต้องมีอุเบกขาการที่จะมีอุเบกขาได้เราต้องมีสติการที่เราจะมีสติได้เราต้องมีพุทธโธเราต้องเจริญพุทธโธ เราเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอคิดแล้วก็จะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ถ้าไปคิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนก็อยากจะหาวิธีแก้ ก็อาจจะไปแก้โดยวิธีที่ไม่ถูกเช่นไปโกหกหลอกลวงหรือไปทำอะไรที่เห็นแก่ตัวดังนั้นเวลาเราทุกข์เราเดือดร้อนให้เราพุทโธพุทโธไปทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบแล้วเราจะรู้สึกเฉยเฉยสบายไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของทางร่างกาย ชีวิตของเรานี้มันจะต้องเจอความทุกข์ยากลำบากความแก่ก็เป็นความทุกข์ยากอย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันความตายก็เหมือนกันหรือความอดยากขาดแคลนก็ก็เป็นความทุกข์ยากหรือการที่เราจะต้องเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆของเหล่านี้เราจะสามารถฟันฝ่ามันไปได้ถ้าเรามีสติ ถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบได้เราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆดังนั้นขอให้เราหัดเจริญสติกันสตินี่ต้องเจริญบ่อยๆและเจริญได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จำเป็นจะต้องมาวัดพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุโทโธไปภายในใจเลย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปทำอะไรก็พุทธโธพุทธโธไปนอกจากจำเป็นจะต้องคิดจริงๆก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวเช่นเวลาทํางานอาจจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานก็หยุดพุทธโธไปแต่อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันคิดถึงคิดอยากได้สิ่งนั้นคิดอยากมีสิ่งนี้ คิดอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นให้คนนี้เป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วจะทำให้เราวุ่นวายใจจะทำให้เราไม่สบายใจอย่าคิดหให้พุทโธพุทโธไปแล้วพอมีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็ให้นั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิพอใจรวมแล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรและจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาถ้าเราอยากจะรักษาคุณธรรมที่จะทำให้เราสวยงามคือจาะคือสัจจะคือขันติและข้อสุดท้ายก็คือธรรมะแปลว่าความอดกลั้น อดทนนี้อย่างหนึ่งอดกลั้นก็คืออดกลั้นเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆที่มักจะผุดขึ้นมาภายในใจของเราเดี๋ยวก็โลภบ้างเดี๋ยวก็โกรธบ้างเดี๋ยวก็เสีย อ, อกเสียใจน้อย อ, อกน้อยใจอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอารมณ์อยู่ภายในใจถ้าเราไม่มีความอดกลัน้นเดี๋ยวเราจะระบายออกมาเราจะพูดไม่ดีจะทาไม่ดี แล้วจะทำให้คนอื่นเขาเกลียดเราเช่นเวลาเราโกรธถ้าเราหักไม่มีความอดกลั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดไม่ดีด่าคนนั้นว่าคนนี้หรือทำร้ายข้าวของหรือทุ่มตีผู้อื่น<ม>เพราะความโกรธแต่ถ้าเรามีธรรมะมีความอดกลั้นไม่ยอมปล่อยให้ความโกรธน้ระบายออกมาถ้าเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไร เราต้องรอให้จิตใจกลับเป็นปกติก่อนสมมติว่าเวลาเราโกรธใครถ้าเราไม่สามารถที่จะระ ง, งับความโกรธได้เราควรที่จะแยกตัวไปอย่าอยู่ใกล้กับคนที่ทาให้เราโกรธยิ่งอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็ยิ่งโกรธมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะอดพูดไม่ได้เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยว เ, เขาก็ด่ากลับมาเราด่าไปเขาก็ด่ากลับมาพอเขาด่ากลับมาเราก็ตีเขา เขาก็ตีเราเดี๋ยวเราก็ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเห็นเวลาเราโกรธแล้วระงับความโกรธไม่ได้ในขณะที่อยู่ต่อหน้ากันก็แยกกันไปคนละที่ไปคนละมุมนะไปเข้าห้องน้ําไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่ห้องน้ําก่อนก็ได้วิธีที่สงบสติอารมณ์ให้เร็วก็ใช้พุโทโธนี่แหละบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธ อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพุโทโธพุโทโธไปไม่นานห้านาทีเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วพอเราหายโกรธแล้วเราเป็นปกติแล้วเราค่อยกลับมาทำอะไรต่อไปแล้วถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็รีบพุโทโธก็เลยพุโทโธพุโทโธนี่จะระงับความคิดที่จะทำให้เราโกรธได้เพราะถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องที่ทาให้เราโกรธความโกรธมันก็ไม่เกิด แต่ถ้าเรายังคิดอยู่มันยังโกรธอยู่เช่นคนเขาดา่าเรามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ตอนนี้เราก็ยังโกรธเขาอยู่ที่เราไม่โกรธเพราะว่าเราไม่ได้คิดแล้วเราลืมไปแล้วเ <Gener ous S 1> <Gore. S 2> นี่ยเรามีเรื่องโกรธต้องเยอะแยะทําไมตอนนี้เราไม่โกรธเพราะตอนนี้เราลืมเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเพราะว่ามันเวลามันผ่านไปความจํามันก็ลืมเหมือนก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธ เราก็เลยสบายแต่ถ้ามันเกิดคิดขึ้นมาถ้าเรารู้จักพุโทโธพุธโทโธเราก็จะสามารถระงับความโกรธได้ทันทีเลยพุโทโธนี่เหมือนเป็นเหมือนกับเครื่องดับเพลิงดับไฟที่เรามีไว้ในบ้านเวลาเกิดไฟลุกเราก็ใช้เครื่องดับเพลิงนี่มาฉีดดับได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องดับเพลิงเราก็จะดับมันไม่ได้เดี๋ยวไฟมันก็จะไหม้บ้านไปทั้งหลัง เช่นเดียวกับพุทธโธเวลาเรากโกรธถ้าเรามีพุทธโธเราก็จะดับมันได้ทันทีถ้าเราไม่มีพุทธโธเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสงครามขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปตีกันไปฆ่ากันขึ้นมาแล้วก็ต้องมาล่องห่มล้องไห้เศร้าโศกเสียใจในภายหลังดังนั้นการฝึกสติการจเจริญพุทธโธนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้ว เราจะสามารถควบคุมใจของเราได้สามารถควบคุมใจเราให้มีจาระได้ให้มีสัจจะได้ให้มีขันติได้ให้มีธรรมะได้ถ้าไม่มีพุโทโธแล้วต่อให้พยายามอย่างไรพอสติแตกแล้วมันทำไม่ได้จา้ะจะหายไปสัจจะจะหายไปขันติจะหายไปธรรมะจะหายไปดังนั้น พอให้เราพยายามสร้างสติกันขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธเราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเรานี้จะเย็นจะสบายพอใจเย็นใจสบายแล้วใจก็จะทําความดีได้จะให้ได้จะเสียสละได้จะไม่โกหกหลอกลวงใครจะมีความอดทนจะมีความอดกั้นได้ แล้วเราก็จะเป็นคนสวยงามไปอยู่กับใครที่ไหนจะไม่มีใครรังเกียจแต่มีแต่คนรักคนชอบเวลาจากกันเขาก็จะร้องหผมร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเวลาถ้าเราลาเขาไปเขาก็ไม่อยากให้เราไปจะขอให้เราอยูอ่แต่ถ้าเราไม่มีจาคะฆะไม่มีสัจจะไม่มีขันติไม่มีธรรมะนี้เวลาปล่าไข่นี่เขาบอกไปเลย ยินดีอยากกลับมาไปแล้วอยากกลับมาพอเราไม่น่าดูไม่น่ารักนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักและมีความสุขเราก็ต้องเสริมความงามด้วยคุณธรรมสี่ประการนี้คือขอให้เรามีจาระมีสัจจะมีขันติและมีธรรมแล้วชีวิตของเรานี้จะเป็นชีวิตที่สวยงาม จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขเพราะจะมีแต่คนเขารักเขาชอบเรานั่นเองจะไม่มีใครเกลียดเราการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีและตนะไตรคือพระพุทธธรรมผสมจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ